ยังติดใจสูตรเมื่อวานเลยนะสูตรที่กล่าวว่าคันห้ามไม่ใช่ของเธอทั้งหลายนะนะี่นจําได้นะเกิดเนื้อความโดยสรุปว่าพระองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสูทั้งหลายรูปไม่ใช่ของเธอทั้งหลายนะนะเธอทั้งหลายจงละรูปเสียรูปอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขนี่นะตนะ่อ รูปทั้งหมดที่กล่าวไปเนี่ยของเธอทั้งหลายหรือเปล่ารวมทั้งเวทนาด้วยนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันว่าทั้งขันทั้งห้าเหล่านี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละเสียมันะเมื่อเธอทั้งหลายละแล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขจากสูตรนี้ที่พระองค์ตรัสเนี่ยนะมีผล อย่างมากแม้กระทั่งหลังจากที่พระ อ, องค์ดับขันปรินิพานแล้วคือตอนที่พระผู้มีพระภาคเนี่ยนะดับขันปรินิพานาศาสนาก็ไปถึงสีลังกาเนี่ยนะไปถึงสีลังกานะสูตรนี้ก็มีผลทำให้พระภิสุรูปหนึ่งเนี่ยนะได้ฟังสูตรนี้บวชแล้วก็ปฏิบัติทำตรัสรูม้มรรคผลได้คือในข้อความในสารถาสังกหนะเนี่ย หน้า172บกล่าวว่าพระนะพระมิติมละเนี่ยนะเทระแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยท่านเป็นเครือหันแต่เป็นเครือหัที่อยู่ในประเทศอินเดียนเนี่ยนะอาชีพคือถือธงรบน่นะเวลาเข้ารบเขาถือธงอะนะเข้าไปรบ แต่เที่ยวอาสาเป็นคนถือธงรบเนี่ยนะถึงสาพรนคร น, นะเมืองไหนเขามีรบก็ไปรั บ, บจ้างถือธงนาคกองทัพนี่แหละพระเจ้าลังตอนหลังก็ไปไปเกาะลังกาเนี่ยนะข้ามจากเกาะอินเดียไปเกาะลังกาเข้าไปเฝ้าพระเจ้าลังกาก็ไปสมัครอาชีพนี่ขอถือธงรบนี่แหละพระเจ้าลังกาก็เลยกรุณาสงเคราะห์เลี้ยงเอาไว้อยู่มาวันหนึ่งเนี่ย ติมิมะละนั้นก็ไปด้วยกิจธุระอันหนึ่งเดินทางไปใกล้ประตูแห่งโรงอันเป็นที่ภิกษุหนุ่มและสัมเนนทั้งหลายอนนสังวัทยายพระบาลีและอัตกถา <c oughs> ก็ได้สดับการฟังซึ่งบาลีณนะตมหากวัตเนี่ยนะคือณเนีะแปลว่าไม่ใช่ไหมตมหานี่แปลว่าของเธอทั้งหลายเพราะฉะนั้นก็บอกว่าไม่ใช่ของเธอทั้งหลายคือไปฟังสูตรนี้เข้าว่า รูปังพิกเวณะตมหากังตังปัชทะตังโวปะหี่นางทีคัรตังหิตายสุขายะภวิสติเนี่ยนะที่ท่านแปลแบบอธิบายว่าพิกเวดูก่อนพิสุน์ทางหลายรูปังอันว่ารูปธรรมกล่าวคือร่างกายแห่งท่านทั้งปวงนี้เมื่อพิจารณาโดยประมัติอัฏะอันสุขุมนั้นจะเป็นตัวตนหาไม่ได้โรปนี้ใช่อัตมาใช่ของแห่งอัตมาก็คือสํานวนโบราณ น, นะน ก็สำนวนสมัยใหม่ก็บอกว่ารูปนี้ใช่เราก็คือไม่ใช่ของเรานะรูปนี้ไม่ใช่ตัวเรารูปนี้ไม่ใช่ของของเราเหตุไฉนจึงว่าดังนั้นดูก่อนสงทั้งปวง routine. รูปนี้ถ้าเป็นตัวเป็นตนแห่งอาตมาจริงก็ย่อมจะอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแห่งบุคคลทั้งปวงท <th ung> ั้งปวงนะบุคคลทั้งปวงก็จะทักท้วงสั่งสอนข่มขี่ให้อยู่ในอำนาจแห่งตนได้ นี่สิไม่เป็นดังนั้นรูปธรรมนี้ไม่ได้ประพฤติเป็นไปในอำนาจไม่ได้ไปอยู่ในบังคับบัญชาว่าไม่ให้เจ็บก็คืนเจ็บว่าไม่ให้แก่เท่าก็คืนแก่คืนเท่านั้นว่าไม่ให้ตายก็คืนตายแม้ว่าเราทั้งหลายจะถนอมกล่อมเลี้ยงดูธนุถนอมประดับประดาเป็นประการใดๆก็ดีรูปธรรมก็ไม่อยู่ในถ้อยคําไม่อยู่ในโอวาแต่ศักด์สิ่งสัตว์อันไม่พอใจจะให้เป็นสิ่งใดก็เป็นสิ่งนั้น นะยกตัวอย่างผมเนี่ยไม่พอใจจะให้งรหอกก็ขืนหอกฟันเนี่ยไม่พอใจจะให้หักก็ขืนหักหมอช่วยด้วยเนื้อหนังไม่พอใจจะให้เหี่ยวแห้งก็ขืนเหี่ยวแห้งตาไม่พอใจจะให้มัวให้หมองก็ขืนมัวมองถึงจะพร่ำว่าทุกเช้าค่ำไม่ให้ป่วยไข้รูปประธรรมก็ขืนป่วยไข้ไม่อยู่ในบังคับบัญชาแต่สักสิ่งสักอันเหตุชะนี้จึงรู้ว่ารูปนี้ ใช่ของตนเนี่ยนะคือรูปนี้ไม่ใช่ของตนนะใช่ถ้าอ่านหนังสือสมัยโบราณหน่อยนะต้องรู้ว่าใช่นี่แปลว่าไม่ใช่นะ น, นะรูปไม่ใช่ของตนมิได้เป็นของแห่งท่านทั้งปวงตังปัชชะทะท่านทั้งปวงจงละเสียซึ่งฉันทราคะอันกระทําให้รักใคร่เอื้อเฟื้ออะไรในรูปธรรมอันเป็นในภายในและภายนอกเนี่ยนะก็ตัดฉันทะราคะ ดูก่อนภิกษุสง์ทั้งปวงรูปภายในคือรูปแห่งตนนั้นก็ดีรูปภายนอกคือรูปแห่งผู้อื่นนั้นก็ดีก็ล้วนแต่เป็นอนัตตาใช่อาตมาใช่ของแห่งอาตมาทั้งสิ้นด้วยกันฉันทราคะอันกระทำให้รักใคร่พัวพันให้กําหนัดยินดีในรูปนั้นท่านทั้งปวงจงภาคเพียรสลัดตัดรอนเสียให้จงได้เห็นไหมท่านทั้งปวงจงอาวาสุภกะกรรมฐานเป็นอารมณ์ รับอา่านท้แสงคือปัญญาให้คมให้มีอำนาจสา ม, มารถตัดชันธราคะนี้ให้จงได้ดูก่อนสงทั้งปวงชันธราคะอันกระทำให้รักใคร่อะไรใหญ่หลวงในรูปนั้นถ้าท่านทั้งปวงละเสียได้ก็จะเป็นประโยชน์เป็นคุณอันใหญ่หลวงจะนำมาซึ่งความสุขในอิท่โลกคือในโลกนี้และประโลกสิ้นกาลชานาน ฉันทราคะนี้มักเป็นค่าศึกอยู่ใกล้เข้าไปชิดติดพันอยู่ในขันทันดานเป็นเนืองนิดบุคคลที่รู้อำนาจแก่ฉันทราคะย่อมได้โทษทุกเป็นอเนกอ น, นันต์สัพพทุกสัพพภัยอุปัถวเสนียดจันไรทั้งปวงบังเกิดอากรูลมูลมองไม่รู้สิ้นสุดสังสารทุกขนั้นบังเกิดติดพันไม่หยุดไม่หย่อนไม่หมดไม่สิน้นถ้าละฉันทราคะเสียได้แล้วความสุขก็จะบังเกิด ขึ้นทุกที่วาราตรีและฉันทราค่าเสียได้นั้นได้ชื่อว่ากระทาตนให้อยู่ใกล้พระนิพพานอธิบายเนื้อความในณตมหาตุกะวัตยุติแต่เพียงเท่านี้อันนี้พูดถึงว่าสมัยโบราณจริงๆเนี่ยถ้าได้บาลีมาหนึ่งคำเนี่ยเขาจะแปลแบบอธิบายยถะคือแปลและอธิบายไปเลยเนี่ยนะซึ่งผู้ที่ทำงานเทพแบบนี้แล้วแปลลักษณะนี้จะเป็นพระมหาเถระของสมัยก่อน ฝ่ายติมิมละนั้นเมื่อได้ฟังณนะตมหากวัตก็พิจารณาเห็นโทษในคารวะ ด, ด้วยอํานาจปัญญาพิจารณาเห็นโทษในรูปและเวทนาเนี่ยเป็นอนัตตาดุดสำแดงมาแล้วคือพระเนนท่านก็สายายของท่านไปนะคนถือธงรบก็ไปได้ฟังเข้าวักขันห้าไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละขันห้าเสียขันห้าที่เธอทั้งหลายละได้แล้วเนี่ยจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขในพอฟังเข้าก็ ติมิมะละนั้นก็เอาหนตมหากวัตนั้นอ่ะมาเปรียบด้วยขอเนี่ยเกี่ยวจิตของตนนะมีให้จิตนั้นแปรผันวิปริตไปด้วยฉันทราคะติมิมะละนั้นก็ละเย้าเรือนและเข้าไปสู่วิหารขอบรรปชาและอุปสมบทในสำนักแห่งพระภิกษุสงฆ์ครั้นได้อุปสมบทแล้วก็เล่ามาติกาทั้งสองคือพิขุปาติโมกและภิกุณีปาติโมกเล่าในี่แปลว่าท่องเลยนะจำได้หมดเลย ครั้นได้ชำนานแล้วก็พาภิกษุสามสิบรูปไปสู่ขวระวาลิยะอังคณะประเทศเนี่ยนะเมื่อกระทาสมณธรรมในราตรีนั้นแต่จงกรมอยู่จนเท้าทั้งสองเนี่ยพองแตกเป็นปุบโพโลโหิตเดินจงกรมเนี่ยจนเท้าเนี่ยเป็นเลือดด้วยเป็นหนองด้วยเนี่ยนะทั้งเลือดทั้งหนองนั่นแหละในเมื่อเท้าทั้งสองเดินไม่ได้แล้วถ้าเรานี่จะทำยังไงโอได้เวลาพักผ่อนแล้ว ของท่านไม่เป็นอย่างนั้นหรอกท่านบอกว่าจะจงกรมด้วยเขาในเวลาราตรีนั้นคือแสดงว่าอิริยาบถแบบเดินเนี่ยนะท่านท่านท่านกุศลเจริญที่สุดในบรรดาอิริยาบถทั้งหมดนะคือถ้าเดินถ้าเดินถ้ายังคือให้ยังมีการขยับเยื้อนเคลื่อนไหวร่างกายอยู่การพิจารณาธรรมะเนี่ยดีเพราะฉะนั้นท่านท่านถึงกต่เจ็บท่านก็ยอมแสดงว่าสปายะสําหรับท่านท่านก็จงกรมด้วยเขาในเวลาราตรีกลางคืนนะเนี่ ก็ยังมีนายพรานเนื้อผู้หนึ่งถือหอกเดินมาในที่นั้นได้เห็นพระติมิมะละเทระสาคัญว่าเนื้อก็แทงพระผู้เป็นเจ้าด้วยหอกอันใหญ่ถูกแต่ข้างๆนี้นะปลายหอกเนี่ยตลอดออกไปข้างโน้นคือแทงซ้ายทะลุขวา น, นะนะั่นแหละพรานเนื้อนั้นพอเห็นเป็นพิกสูก็ตกใจทิ้งหอกเน่นะเสียบแล้วก็ประลาดนี้ไปจากประเทศที่นั้นนะนะรู้ว่าเป็นพระก็จะอยู่ทาอะไรเนาะ เพราะฉะนั้นควรจะอนิจจังสังเวทหนักหนาด้วยพระติมิละเถระเมื่อต้องประหารถูกหอกในพรานประกอบด้วยทุกขเวทนาอันกลา้าล้มลงอยู่ในที่จงกรมในเพลาราตรีนั้นเนี่ยนะถ้าผู้การนี่จะเลิกเจริญในไม่กับมาถานนี่ <c oughs> พระผู้เป็นเจ้าจะได้ละเสียตกตลึงเนี่ยนะตกใจตะลึงพ่านประวันพ่านพึง ไหวกลัวแต่มรณะภายนั้นไม่มีเลยเพิกเฉยไม่ได้เอื้อเฟื้อต่อทุกขเวทนาตั้งสติมั่นอย่างพระภิกษุทั้งปวงที่ไปทำสมณธรรมกับพระผู้เป็นเจ้านั้นให้ชักหอกออกเสียแล้วแล้วเอาญ่าแห้งๆเนี่ยมาบิดเข้าให้เป็นเกลียวเนี่ยจุกปากแผลที่ต้องประหารนะอุดก่อนไม่ให้เลือดมันออกนะให้ภิกษุทั้งหลายเนี่ยพยุงขึ้นนั่งเหนือแผ่นศิลา ให้กระทําโอกาสคือให้พิสูนทั้งหลายเนี่ยถอยออกไปอยู่ที่ไกลบอกว่ากรุณาหลีกไปไกลเนี่ยนะผมจะเจริญกรรมฐานเหมือนกันพระผู้เป็นเจ้าตั้งใจเจริญพระวิปัสสนากรรมฐานก็ได้สำเร็จเป็นท่ารหารัสพร้อมด้วยปฏิสัมพิธายามในขณะนั้นควรจะอศัศจรรย์ควรจะโสมนัตนานับประการ พระผู้เป็นเจ้าก็ให้สัญญาแก่พิกษุทั้งปวงด้วยเสียงกระแอมพิกูุทั้งหลายก็เข้ามาประชุมพร้อมเพียงกันพระผู้เป็นเจ้าก็กล่าวแก้พระโลกุตระธรรมที่ตนได้นั้นแก่พิสูุทั้งปวงคือพูดพระพิสูจน์เนี่ยนะถ้าท่านจะมรณการเนี่ยนะถ้าผู้ใดมาถามคุณธรรมวิเศษของท่านท่านจะบอกจะเปิดเผยตรงนั้นได้ว่าท่านได้คุณธรรมอะไรท่านบรรลุอะไรท่านรู้แจ้งยังไงอะไรยังไงก็ก็ถามตรงนั้นได้ เพรนั้นเวลาท่านแนะนําโลกุตตรธรรมที่ท่านบรรลุเสร็จเนี่ยนะท่านก็เปล่งอุทานอธิบายว่าข้อที่สมเด็จพระบรมโล ก, กนาสศ า, ศาสดาจารย์ผู้เป็นนักปราอันประเสริฐเลิศโลกมีพระพุทธฎีกาตรัสเทศนาแก่พิกษุสุงทั้งปวงว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายผู้เห็นภายในวัดต่สงสารรูปประธรรมนี้ไม่ใช่ของท่านเพราะเหตุว่าไม่ได้ฟังเนี่ยนะไม่ได้ไว้ไม่ได้ฟั ง, นะ ม, ม, ฟงมิได้ตั้งอยู่โดยอันควรแก่ ความบังคับบัญชาท่านทั้งปวงจงสละละเสียซึ่งฉันทราคะอันกระทำให้รักให้ใครในรูปภายนอกอย่าหลงด้วยรูปอย่าเอื้อเฟื้ออะไรในรูปประธรรมนี้เนี่ยนะก็ไม่ให้ อ, อาลัยอววรในขัน่ะนะคือทุกทั้งหลายก็เกิดจากฉันทราคะที่มีในในรูปประขันนั่นแหล ะ, ะรูปประธรรมนี้กุศลและอกุศลประชุมแต่งหาเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เนี่ยนะ ก็รูปทั้งหลายก็ก็บุญกรรมนี่นแหละตบแต่งควรจะเห็นเป็นอนิจจังรูปนี้บังเกิดแล้วก็วิปริตแปรปรวนแก่เท่าหางดงามอยู่เป็นปกติไม่บังเกิดแล้วก็มีแต่ชีพหายเป็นธรรมดาบังเกิดแล้วก็มีแต่จะดับศูนย์ทำลายเป็นธรรมดาเมื่อใดได้พระนิพพานรำงับดับรูปธรรมานามธรรมเสียได้นั่นแลเป็นสุขแท้เนี่ยนะก็อธิบายคาถาที่เราคุ้นเคยกันนะ คุณเคยตอนไหนบอกตอนไปงานศพไงอนิจาวัตสังขาราอุปัฏวยธรรมมิโนนะท่านอธิบายนี่แหละถ้ารูปธรรมนามธรรมนั้นยังไม่ได้รำงับดับศูญย์ตราบใดก็ยังประกอบไปด้วยทุกอยู่ตราบนั้นสัจจังพุทธฎีกาตรัดความข้อนี้จริงแท้ไม่ได้เป็นคํำสองเหมือนตัวอาตมาเนี่ยต้องประหารแห่งนายพรานครั้งนี้ถ้ารูปเป็นของอาตมาแล้วรูปก็จะอยู่ในบังคับบัญชาก็หน้าที่อาตมาจะห้ามได้ว่า เลือดอยาไลจากแผลที่ต้องประหารห้ามเลือดได้ยังไงสั่งว่าเลือดอยาไลนะถ้าเป็นของตัวเองแท้ๆเลยนะเนื้อหนังที่ต้องประหารก็จงอย่าชอกช้ำจงปิดมิดเนี่ยนะชิดเป็นปกติเหมือนอย่างแต่ก่อนอย่าเจ็บแสบเลยทุกคเวทนาที่มีในกายนี้จงรำงับหายอย่าได้สืบต่อไปถ้ารูปเป็นของอัตมาก็จะห้ามปราบได้รูปก็จะน่าบังคับบัญชาได้บ้างจะประพฤติตามอำนาจอยู่บ้าง แต่นี่สิไม่เป็นเช่นนั้นรูปไม่ประพฤติตามอำนาจเลยแม้แต่สักสิ่งสักอันสมตามพระพุทธฎีกาที่ตรัสเทศนาไว้ว่ารูปนี้มิได้เป็นของท่านทั้งปวงและฉันทราคะที่บังเกิดขึ้นในจิตสันดานกระทําให้รักให้ไข้ให้มีอะไรใหญ่หลวงอยู่ด้วยรูปประธรรมนั้นถ้าเราสละเสียมิได้เรายังมีความเอื้อเฟื้ออะไรอยู่ในรูป ยังภาะวะผวองอยู่ด้วยรูปแล้วที่ไหนพระโลกุตระธรรมจะบังเกิดแกตัตมาอันนี้พูดถึงกับคนมี บ, บ, บรรลุแล้วนะถ้าเขายังมีเยื่อใยในรูปอยู่เขาไม่ได้บรรลุอย่างนี้หรอกแต่เนื่องจากเขาตัดเยื่อใยในรูปนั่นแหละจึงบรรลุนี่หากว่าเราปฏิบัติมั่นตามพระพุทธฎีกาเราไม่อะไรห่วงใยในรูปพระโลกุตระธรรมจึงบังเกิดแต่เราจึงได้ความสุขอันเป็นโลกุตระสมด้วยพระพุทธฎีกาที่ตรัตเทศนาไว้นั้น ภิกขูอาหังสุพิกษุทั้งปวงจึงสรรเสริญคุณแห่งพระติมิลเทระว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นเจ้านี้ปฏิบัติสมควรต้องด้วยพระพุทธโอวาสนี้หากสมเด็จพระบรมโล ก, กนาาเสด็จเข้าสู่พระนิพพานถ้าพระองค์หาโรคไม่ได้ยังมีพระชนอยู่ตราบเท่าทุกวันนี้หน้าที่สมเด็จพระองค์เนี่ยจะยื่นพระหัตมาเบื้องบนแห่งมหาสมุทร นะมาปรามาศคือรูปคลัมซึ่งเสียนเกล้าวแห่งพระผู้เป็นเจ้านี้เที่ยงแพ้เนี่ยนะบอกว่าวุปฏิบัติได้ขนาดนี้พระผู้เป็นเจ้ายัางอยู่นะเอื้อมมือมาลูบศีรษะแน่ล่ะันสำแดงนิทานอันนี้เพื่อให้เห็นอัศจรรย์ในพระสงฆ์ที่ปฏิบัติซื่อตรงตามสมควรต่อพระพุทธโอวาสนั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นาการพูดถึงรูปเนี่ยนะทั้งที่คุณหมออธิบายทั้งหมดหรือที่เรียนไปก็ จุดประสงค์ก็มีชัดเจนนะว่าเพื่อกําจัดฉันทราคะในในรูปเพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่กําจัดฉันทราคะในรูปโสกะปริเทวะทุกโทมณตและอุปายาตบังเกิดเป็นแน่ถ้ารูปเหล่านั้นแปรไปแต่ถ้าหากว่ามีการพิจารณาแยกแยะใครครวญละเอียดทุกแง่มุมจนถึงกําจัดฉันทราคะในรูปได้โดยประการทั้งปวงเนี่ยนะถึงรูปจะเปลี่ยนใจใจก็ไม่ได้เป็นทุกเลยเนี่ยนะ เพราะว่าใจที่ไม่ได้เป็นทุกข์เพราะใจนั้นกำจัดฉันทราคะในรูปแต่นะด้วยข้อปฏิบัติก็หมายถึงการเข้าไปทำปะหานะประิญญาในรูปปะขันนั่นเองอนะนวันนี้ก็สมควรกับเวลาทำไมมาถึงเาถึงถูกพอมฟังไว้ทั้งออคิดเรื่องอะไรอยู่ คือท่านเดินจงกรมจนเท้าแตกท่านก็เลยใช้เข่าจงกรมมันก็ตะคุ่มตะคุ่มมืดๆใช่ไหมในพรานไปเห็นเขานึกว่าเนื้อก็เลยใช้หอกแทงเอาพระ